นโมทัสสะพังกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพังกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพังกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี้ดานิสันิปฏิตายะพุทธะปริสายะอภคกันเจดังเจวิตมะหุทีราอิมัสสะ ปริยาาัยิสะตยงสุนาทะสาธตุกันติแา น, นี้ยินได้กล่าวกระแสธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เราท่านทั้งหลายเคยปฏิบัติมาประพฤติมาก็นแนวทางเดียวกันเพียงแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็คือการชำระใจ ให้สะอาดท่านทั้งหลายปฏิบัติมาเป็นประจำเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างยิ่งยากนักที่จะเราได้มีโอกาสปฏิบัติให้ครบหลักหลักการของไตรสิกขาไตรสิกขาอันได้เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาในของนักปฏิบัติของเจ้าบ้านโบราณศีลภาวนา ของนักปฏิบัติวายสงหรือวายอานาคารยะท่านก็ใช้ศีล ส, สมาธิปัญญาคนนี้เป็นลำดับแรงการยกฐานะของชีวิตปุถุชนชีวิตธรรมดาให้พ้นจากปุถุชนระวันเมาพูดไปแล้วมันก็มีหลายลักษณะตั้งแต่พาลชนสา กัลยาณชนอริยชนมนุษย์ในโลกนี้แม้มนุษย์ในประเทศไทยที่ถือตนว่าเป็นสพุทธสาสนิกชนเคยมีบรรพบุรุษสร้างสรรพศาสนาตุกบำรุงมาตัวเองก็เคยบวชเคยเรียนมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามโอกาสก็แกล่ว่า ได้ส่งความเป็นอริยชนหรือกัลยาณชนได้ไหมกลายไปเป็นภารชนหรือปุตุชนว่าหมายก็คือว่าปุตุชนแปลว่าคนผู้หนาผู้หนาถ้าภารชนชนผู้เป็นอันพานอันธพานนี้แปลว่ามืิดบอดอันทะแปลว่ามืดภาระแปลว่ากําลัง อันตพา น, นั้นพวกไม่ใช้ปัญญาใช้แต่ความใช้แต่กำลังใช้แต่กำลังไม่มีไม่มีปัญญาเรียกปารชนเรือยังมืดบอดอยู่ต่อมาก็เป็นกาละยาณนะชนก็ชนผู้ดีชนผู้งามตามธรรม า, าสาธุชนชนชั้นผู้เจริญจนกระทั่งอริยชนชนชั้นประเสริฐหรือชั้นเลิศ ฉันไม่ถอยหลังแล้วต้าเติงอรลยชนมีแต่ไป้างหน้าอย่างเดียวนอกนั้นยังเปลี่ยนแปลงไปได้อันนี้คือเราทั้งหลายได้ประพฤติก็เพื่อยกระดับของเราเองตนเองมาเป็นกัลยาณชนสาธุชนชนผู้ดีชนผู้งามชนกตั้งเข้าสู่อริยชนชนผู้ประเสริฐแล้ว ยังก็เรียกว่าประเทศที่เจริญแล้วว่าอารยะประเทศอารยชนแบบที่เราเรียกนั้นไม่ถูกอยอมอารยชนหมายถึงผู้บรรลุคุณธรรมความดีตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเรียวาอารยชน อ, อย่างนี้จึงจะถูกต้องเราเห็นว่าความเจริญเขาไปยักวย่องเขาอยากประเทศเชาวตะวันตกบางแห่งอันนั้นก็เป็นการกล่าวของเราตามธรรมดาก็เป็น ไม่เป็นไรเราจะกกล่าวอย่างไรก็ได้แต่ว่าสัจจะแห่งความจริงของมันของสิ่งนั้นก็อยู่อย่างนั้นเองจะทราบว่าท่านทั้งหลายตั้งใจประพฤติธปฏิบัติมาอย่างดีแล้วคงจะเจอเจ อ, เจอครูบาอาจารย์ที่สอนหลายหลายขั้นจนกระทั่งขั้นสูงสุดมาแล้วหลายๆจนกระทั่งเกือบจะลืมอขึ้นต้นอย่างไร เจรวันนี้ธรรมาภาพขอกล่าวว่าจะขอกล่าวกระแสธรรมย้อนหลังผู้นําไปข้างหน้าเยอะๆแล้วอัตมาก็ย้อนหลังเพื่อเรียบเรียงมาในท่านทั้งหลายอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ก็เป็นการเรียบเรียงลนะฐานะคงคนตั้งแต่ฉันนั้นฉันั้นก็เป็นการเรียบเรียงเพราะอันวันนี้จะขอกล่าวที่เราพึ่งปฏิบัติมานี้ก็เป็นการย้อนไปพิจารณาตั้ง ตั้งกระแสให้ตรงตามความหมายเหล่านั้นที่เราเคยนึกในพระไตรปิฎกว่าพระไตรปิฎกได้นึกถึงที่คนเขานับไว้ว่าพระธรรมในกัมพีพระพุทธศาสนามีถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมกันโอ้มากมายเยอะแยะปฏิบัติยังไงมด มันก็มีจุดรวมมีจอมจอมไม่ถึงยอดหรือกลางหรือศูนย์กลางนั่นน่ะเรียกว่าจอมจอมอยู่ตรงนั้นอยู่เหมือนกับอะไระสมัยโบราณเขามีแห่โทษแแห่แแห่กวาดไปแล้วก็จะหยิบมาก็ต้องไปจับที่จอมหรือตรงกลางมันก็มาทั้งหมดอย่างเอออันนี้แม้แต่พระธรรมกว้างขวา ง, วา ง, วางถึงขนาดนั้น พระพุทธองค์ก็ตรัสสรุปมีอยู่แค่สามอย่างมารวมอยู่สําหรับเป็นการประพฤติปฏิบัติยกฐานะของปุตชนภาลชนให้เป็นปุตชนปุตชนให้เป็นกัลยาณชนสาธุช น, ชนจนกระทั่งอริยชนมันมีจุดรวมพระธรรมทั้งหมดก็คือรวมที่ที่ตัวของเราความประพฤติของเรา เพราะฉะนั้นมีที่รองรับก็คือกายวาจาใจเพื่อจับความเพื่อจับใจความให้ เ, เร็วๆธรรมดาก็คือว่ากายวาจาใจการประพฤติปฏิบัติก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าพูดตามย้อนหลังไปอีกหน่อยก็ตรงที่ว่าเรามีกายมีวาจามีใจเมื่อมีกายกายต้องอ่อนน้อม เมื่อมีวาจาวาจาต้องอ่อนหวานเมื่อมีใจใจต้องอ่อนโยนนั้นจบแค่นี้แหละโยมแม้จะการประพฤติปฏิบัติในทางจิตสูงส่งเท่าไหร่ก็รวมอยู่ที่นี้ทั้งหมดที่กายวาจาใจทุกคนเราจะพูดแบบธรมธรมดาธรรมดาถ้าเราทำกายวาจาใจให้เป็นนั่นคือ ความดีงามความปฏิบัติขยับขึ้นไปสู่สูงสุดถ้าพูดแบบทั่วทวไปก็ง่ายๆคือว่าเมื่อมีกายกายต้องอ่อนน้อมเพราะเราอยู่ในโลกเลยเนาะเมื่อมีกายกายต้องอ่อนน้อมเรามีวาจาวาจาต้องอ่อนหวานเรามีใจใจต้องอ่อนโยนเมื่อเราเข้าใจจุดนี้ถ้ามันยังไวอ่อนน้อม ยังไม่อ่อนหวานไม่อ่อนโยนเราก็ขัดเกลาตรงนี้แหละที่จะขยับตัวขึ้นไปตามลําดับนี่เรียกว่าย้อนหลังมาดู อ, อย่างนี้อย่างนี้ซะก่อนส่วนท่านที่ไปเลยถึงไหนแล้วก็โคนโมทนาด้วยกายกายต้องอ่อนน้อมมันก็จบประตรายไปตกอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่จุดนี้นั่นเองที่เราควรจะกําหนดจดจำท่านทั้งหลายดู ออกไปนอกเสาร น, นิตหนึ่งตรงเทว่ามถ้าทุกคนเข้าใจและมีกายวาจาใจด้วยกันทางนั้นถ้าเจอเจอกันเพื่อนผงหรือคนทั่วไปต่างๆนานาก็ไม่มีศัตรูเพราะเรารู้จักทํากายเมื่อเจอเจอแล้วก็ต้องอ่อนน้อมเช่นโค้งคํานับยกมือไหว้ซึ่งกันและกันอันนี้กายเมื่อกายรู้จักอ่อนน้อมอยู่อย่างเยี่ย จะไปทะเลาะกันอย่างไรเอาจะไปต่อยกันอย่างไรจะไปชกไปทุบไปตีกันได้อย่างไรในเมื่อกายเราอ่อนน้อมแล้วนี่วาจาวาจะต้องอ่อนหวานเมื่อวาจะอ่อนหวานซึ่งกันและกันแล้วจะไปะทะเลาะกันได้อย่างไรไม่มีไม่มีทางที่จะทะเลาะกันได้เราเนื้ออ่อนน้อมอ่อนหวานอ่อนโยนก็รวมอยู่ที่ใจ เมื่อใจของเรามีความอ่อนน้อมอ่อนหวานอ่อนโยนอยู่อย่างนี้จะไปแช่งชักอักขระดุกันได้อย่างไรจะไปโกรธไปแค้นอาฆาตพยาบา ท, าบาทป้องกันได้อย่างไรมันก็ไม่อยู่ในสภาพสามอย่างนี้รัฐวไตรไทยพิศนุทั้งหมดเจือแปดเบอรกี่พันล้านก็แล้วแต่ก็มารวมอยู่ที่จุดรวมแม้แค่สามอย่างเราก็ทําไม่ได้หนึ่งหลายวันนี้ ว่าวันครบรอบ60ปี60ปีของสำนักงานทีโอทีของเราอายุมาก็เป็นถ้าเป็นคนเป็นราชการแนี่ก็เกษียณต้องเกษียณไปแล้วโยมเกษียณปีนี้แหละเดีนี้ทีโอทีของเราเกือบจะเกษียณปีนี้เหมือนกันเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาถูกอุดหน้าอุดหลังเข้าออไปก็มาไม่สะดวกเลย อาตอมาไม่สบายใจนึกจะเกียนใช่แล้วอันนี้แหละคือโลกของโลกเรื่องของไม่ตรงกับหลักที่ท่านว่ากายวาจาใจแค่กายกับวาจาใจก็ปฏิบัติแค่นี้ไม่ได้มีการกระทำนัยยะตรงกันข้ามทั้งหมดมันเป็นปุตชนเลือเกินยิ่งกว่าปุตชนบางทีก็ดูลักษณะเป็นภาลชน แม้เพียงแค่นี้ก็ไม่รู้หรือรู้แต่ไม่กระทําก็ยอมรับที่จะเป็นอผาร <c oughs> ชนผุุ้ชนไม่ยอมยกระดับให้เราเป็นสาธารชนกัละยาลชนเลยไม่ต้องดูอื่นไกลนี่คือสิ่งแวดล้อมตัวเราที่ผ่านพ้นไปไม่นานไอผ่านพ้นไปก็อย่าไปหวังอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเลยในฐานะที่เราก็มีาศาสตร์ชาติา ศ, าาศาสตร์น้ำพระมหากษัตริย์ ไม่เคยไ้นึกเลยว่าเราจะอยู่ด้วยความยากลําบากทางกายทางวาจาทางเป็นอยู่ทึงเพียงนั้นครูบาจารย์สั่งสอนก็มากมายกายกองสม่ําเสมอกันไม่ได้สอนแต่บางคนเป็นกลางกลางากายวาจาใจทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาก็สอนอย่างสม่ําเสมอแต่บางคนเขาก็ไม่ยอมรับความเป็นสาธุชนกิลาลชน โชคที่จะอยู่ในปุตุชนหรือต่ำกว่าจนเป็นพาลชนลใครทำยังไงก็อย่าไปใส่ใจนั่นคือเป็นบทเรียนเป็นบทประกาศศักดาอุภาพหรือความสามารถหรือความประกาศบางคนก็ประกาศความดีให้ปรากฏบางคนก็ประกาศความเลวให้ปรากฏมันไม่ยุติแล้วแต่เนี่ยเราถือว่าเป็นฉากของการดูหนัง ดูชีวิตที่โบราณตันว่าดูล่หนังดูละครดูลิเกดูละครย้อนมาดูตนก็หมายความว่าเมื่อเห็นเหล่านั้นก็เป็นลิเกเป็นละครอยู่ในบทในบทหนึ่งทั้งสามสี่บทที่เราคุ้ทราบมาอย่างดีเราก็เราก็แสดงให้เราดูเหมือนเราไปดูประเทศชาติเราก็เหมือนเราได้ดูละเกดูละคอะทุกบทนั่นแหละอ่ะอันนี้ช่างเถ อ, อทุกสิ่งทัวอย่าง เมื่อมันเป็นํำขึ้นมามันก็ดีขึ้นสําสำหรับตัวเราน่ะสิท่านนึงหลายอายาะหันออกนิดหนึ่งที่พูดถึงทานศีลภาวนาในหลักศาสนาของเราตอนพูดถึงถ้าจะทำบุญทำบุญอย่างไงก็มีอยู่หลักตายตัวอยู่แล้วบุญก็คือการบริจาคทานการรักษาศีลการภาวนาที่เรียกว่าทานศีลภาวนา ในสำหรับโยมที่เป็นครหัสถ้าเป็นนักบวชก็ขึ้นต้นแต่ศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นครหัตก็ขึ้นต้นตั้งแต่ทานศีลภาวนาก็เป็นกระแสเดียวกันเพราะพระสงค์นั้นท่านจึงใช้ชให้อยู่ในสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญาชาวบ้านนั้นนอกจากนั้นก็จะเป็นการทานศีลภาวนาเพราะทานนั้นต้องบริจาคไม่ใช่บริจาคให้พระให้สงฆ์หรือ บริจาคให้ใครในตัวบ้านของเราพ่อแม่ประกอบอ า, อาหารญาติเออี่พี่ประกอบอาหารให้น้องให้ไร่เขนเรื่องให้ทานเลี้ยงสัตว์นั้นสัตว์นี้ในครอบครัวการให้ชื่อว่าให้ทานแม้จะให้อะไรเป็นเที่ยงแต่ว่าเป็นทานชั้นต่ำชั้นธรรมดาชั้นสูงชั้นละเอียดต่อมาโดยลําดับ ทางให้โดยทั่วทวไปก็เป็นทานชั้นต่ำเช่นให้สัตว์แม้แต่ท่านยังกล่าวถึงกันว่าแมจ้จะเทเศษจานน้ําจานลงไป น, น้ำใส่น้ําครัมาตามช่องร่องถ้าสัตว์เหล่านั้นได้กินก็ยังนี้ก็ยังไม่บุญแต่บุญชั้นต่ำชั้นธรรมดาหรือจะให้คนที่สม่ําเสมอกัน ก็เป็นบุญตามธรรมดาหรือถ้าให้ท่านผู้ทรงเสนผู้อัปบรพรชชคนั้นก็เป็นการให้ทานแบบชั้นสูงมาโดยลำดับแต่ก็ขึ้นต้นมาที่ทานเสลภาวนาท่านวิเจริญทั้งหลายท่านมองตอนนี้หน่อยก็จะเห็นว่ามันต่างกันอย่างไรบอกแล้วนะอยากเพิ่งโทษอาตมาอาตมาว่าจะย้อนหลังให้โยมเรียบเรียงมาใหม่ก็จะย้อนหลังอย่างนี้หร คือหมายความว่าทานศีลภาวนาไม่พ้นตรงนี้ตัวนี้ทำไมท่านจึงจัดว่าทานการบริจาคทานเป็นเรื่องธรรมดาบุญคือการทำบุญนั้นมีสามอย่างหนึ่งทานสองศีล ส, สามภาวนาและท่านยกย่องระดับธรรมขั้นขั้นต่ำธรรมดาก็คือทานขั้นสูงขึ้นมาก็คือศีล ขันสูงสุดก็คือภาวนาทีนี้ทำไมจึงจัดอย่างนี้และต่างกันจริงไหมแน่นอนแน่นอนโยมเราสังเกตจากทานทานในทุกคนบริจาคได้แม้ต่างศาสนาเขาก็ให้ได้แม้คนที่ไม่เคยเข้าวัดเขาว่าเจ้านายบางท่านแต่ท่านก็ทำทาน ในเรื่องบริจาคทานใส่ทรงบริจาคอย่างนั้นนี้ไม่เคยมาวัดมาว่ า, วาปฏิบัติอะไรก็ท า, านได้เพราะฉะนั้นทานจึงเป็นเรื่องธรรมดาท่านนึ่งลายในวัดหนึ่งเวลามีงานใหญ่ๆท่านเห็นคนเกือบเต็มวัดถ้าพูดถึงในแง่าการให้ทานทูคนให้ด้วยกันเท่านั้นมากบางน้อยบางอย่างน้อยก็จิบาทหบาททุกคนจะพูดในแง่ให้ทาน่ะ ให้เกือบทุกคนในจำนวนที่อยู่ในบริเวณบุญงานบุญงานงานวัดงานวาแต่นี้พอพูดให้รักษาศีลให้รับศีลลดจำนวนน้อยหรือเกินอยกเพราะศีลต้องประพฤติปฏิบัติตนได้ดีขึ้นพอพูดถึงภาวนาเป็นเรื่องปฏิบัติทางใจอย่างเดียวเกือบไม่มีเลยท่านเข้าใจแล้วยังทาน ธรรมดาหรือเกินทุกคนให้ได้พอพูดถึงเรื่องศีลจำเป็นต้องบอริหารตัวตนประพฤตตนประพฤติ ก, กายประพฤติวาจาเว้นห้าอย่างหรือสิบอย่างอย่างที่ว่ามาคนจำนวนให้ทานทั้งหมดนั้นพอพูดไม่ให้ทานทุกคนแต่พอชวนให้รักษาศีลลดเกือบหมดยิ่งพูดถึงภาวนาเป็นการยกระดับจิตลวนลุน เพื่อปล่อยวางทุกอย่างนั้นเกือบไม่มีเลยเห็นแล้วอย่างว่าลำดับที่ท่านว่าไม่ใช่ดูถูกฐานนายกพระพุทธองค์ก็ยกยก่องพระโพธิสัตว์ก็ขึ้นต้นมาการเกี่ยงเช่นประเสะดอนแต่ว่ายัางถือว่าธรรมดาเพราะเป็นของนอกกายใครๆก็ทำได้แต่ว่าพูดถึงศีนก็คือการประพฤติกายที่วาจาพอมาพูดถึงปาวนาต้องมาพึ่งใจล้วน อมองเห็นชัดนะเนาะว่าเพราะอย่างนี้กระมังท่านหลายแม้แต่พระสงฆ์ในวัดถ้าถือว่าตนเองมีศีลสองก็คือศีลนั่นเองแต่จะเต็มอัตราบริสุทธิ์สะอาดอย่างมั่นคงหรือเปล่าอีเรื่องหนึ่งแต่มาพูดถึงภาวนาแล้วคือสมาธิโดยแล้วแต่ละวัดแต่ละจุดเกือบจะไม่ได้ ถึงขั้นนี้เลยหรืขั้นแต่เป็นสงฆ์รักษาเต็นแต่เมื่อพูดถึงภาวนาต้องตั้งใจเองัท่านจึงแบ่งาศาสนาธุระาศาสนาออกเป็นคันธาธุระธุระในการบริหารรักษาวัดวา่าตำแหน่งนาที่ปกครองวิปัสสนาธุระธุระว่าเมื่อบวชเรียนพอสมควรแล้วก็เข้าสู่วิปัสสนาคกอกรรมฐานตามป่าตามดงตามไรเทอ เป็นพระฝ่ายวิปัสนาหรือบางทีเรียกชื่ออย่างหนึ่งค า, ามวาสีฝ่ายบ้านฝ่ยเมืองฝวยปกครองอารันญวาสีฝ่ายป่าไวายดงอยู่ตามต่างพระองค์ก็พูดมาตั้งแต่นั้นแ ต, แต่สมัยพุทธองค์มาแล้วเรียกว่าคามวาสีพระฝ่ายบ้านอารัญญวาสีพระไวายป่าต่อมาก็เรียกว่า าการการการแยกแกนปฏิบั ต, บ ต, บติเรียกว่าทานศีลภาวนานี่ก็มีความจาเป็นอยู่ผู้ที่ถือว่าเป็นคันธาตทระก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหรนะ่นักเอาอย่างนี้ก็ตามเอา้าย้อนมาที่ตัวเราและ อ, อย่างหนึ่งอยากจะย้อนไปให้พิจารณาบางท่านอาจจะสงสัยกับคำพูดคำพูดคืออะไรเช่นเอ๊ะทำไมการปฏิบัติขั้นภาวนาเนี่ย ทำไมจึงมีคำไม่สม่ำเสมอกันไปไปนั่งวิปัสสนาที่วัดโน้นไปไปนั่งภาวนาที่สมานักนี้ไปไปนั่งสมาธิทําสมาธิที่โน้นที่นี้ไปไปนั่งกรรมฐานที่นั่นที่นลทาไมคําพูดในสายปฏิบัติจึงมีมากมายและมันหมายความมายอย่างไรอย่างไรจึงถูกต้อง ส่วนท่านที่รู้เรื่องเข้าใจแล้วก็ดีแล้วแต่ท่านจะยังงงงงอยู่ทำไมจึงพูดไม่เหมือนกันก็อยากจะใช้โยตัดใจความว่ามีความหมายเหมือนกันจะพูดในชื่อว่าอย่างไรก็ล้วนแต่เป็นเครื่องอบรมจิตเครื่องรักษาจิตเครื่องชาระจิตเครื่องดูแลจิตให้เข้าสู่สภาพสะอาดหมดจดของใส เข้าถึงความสงบหลุดพ้นจากกิเลสตนาต่อไปอันเดียวกันต่างกันแต่ชื่อหรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจอีกก็อยากจะแปลกว้ า, างเลยคําว่าสมาธิแปลตามศัพเป็คือการตั้งใจมัน่นตั้งใจมั่นให้อยู่ในอารมณ์เดียวแน่นอนไม่ให้อารมณ์อื่นแทรกแทงเข้ามาทําลายความสงบความเงียบของเราได้เพราะนั้นสมาธิแปลตามศัพท์ ตั้งใจมัน่นภาวนาแปล ว, ว่าทําให้เกิดให้มีทําอะไรให้เกิดให้มีก็ทําสมาธินัน่นแหละให้สมาธิเกิดสมาธิมีหรือความสงบมีอะไรมีขึ้นมาเรียกว่าอาภาวนาแล้ววิปัสนาหมายถึงอย่างไรวิปัสนาทําให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้งในข้ออัดข้อธรรมจนสามารถละ อ, อุปาทานเกเรตันหาราคะต่างๆได้ คำพิปัสสนาคือรู้อย่างแจ่มแจ้งเข้าใจายอย่างแจ่มแจ้งหมดจดหมดความสงสัยและคําว่าทุดงทุดงก็คือแปลว่าทุดงแปลว่าขัดเกลว์ขัดเกลว์กิเลสอัตตาศัยมีการอดทนอดออมอดอะไรอยู่ตามดงตามป่าไปแล้วทุดงคือเดินทุดงหรือเดินกรรมฐานากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งความเพียน ฐานะคือกรรมฐานการกระทำที่อาศัยความเพียรพยายามอย่างยิ่งรวมแล้วก็คือจุดเดียวกันคือการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นคำสะดวกเราก็มักจะเรียกว่าสมาธิมักจะเรียกว่าภาวนาอันนี้ความหมายก็คือรวมที่การฝึกอบรมอย่างยิ่งแต่ทีนี้ถ้าคนมัวแต่แยกแซวว่านั้งนั้นไม่ถึงสมาธิอย่างนั้นไม่หลุดพ้น ต้องวิปัสสนาอย่างเดียวสมถะวิปัสสนาสมถะก็คือความสงบวิปัสสนาก็คือปัญญาแจม่มแจ้งปัญญาจะแจม่มแจ้งได้ก็ต่อเมื่อมีความสงบท่านเคยอ่านประวัติอาจเคยอ่านธรรมลุงปู่ฝากไว้ลุงปู่ฝากไว้ตอนนี้แพร่หลายอยู่มีคนแปลภาษาอังกฤษไปทั่วโลกแล้ ว, ลวก็ผู้ถือรวบรวมบันทึกได้เพียงแค่นั้นของลุงปูดูนันตโลนั้น องค์ที่อยู่ตลอดชีวิตมากับหลวงปู่ก็คือองค์นี้แหละที่บันทึกไว้นโยบเพื่อตา마เ น, นี่แหละท่านไม่เคยเทศเรื่องยาวๆมากมายอะไรท่านก็พูดสัน้นต่เมื่อมีคนไปถามไปไยตยอวทตมาก็อาศัยตรงนั้นแหละบันทึกมาแล้วก็ได้ใจความอยู่ตรงนี้ก็ได้เพียงแค่นั้นแหละท่านจะพูดสันส้นๆรวมความแล้วก็ไม่อยู่ข้อน่งที่จับใจความออกมาก็คือ สมถะวิปัสสนานั่นเองโยมอย่างที่ว่าท่านว่าจิตตุท่านว่าคิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดเสียก่อนจึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้ mm. ก็เหมือนกับยากเหลือเกินที่จะคบให้แตกให้เข้าใจคิดเท่าไหร่ทไหรก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดให้ได้ซสียก่อนจึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้ย้อนไปข้างหลังข้างต้นเดียว อันนี้ก็คือวิปสมถะวิปัสสนาอะไรอย่คิดเทไรเทไรก็คือปัญญาปุตชฌนทั่วไปคิดก็แตกฉานแตกฉานเพราะความคิดการวิจัยนั่นแหละนักสถาปนิกเอ่ยหรือนักวิทยาศาสตร์เอ่ยนักอะไรก็อยู่ที่คิดนั่นเองแต่ความคิดของเขานั้นมันไม่ไม่นั่นไปทางสมถะมันไม่เกิดสมถะเสียก่อนได้แต่เกิดจากความคิดอะไรก็เกิดจากความคิดทั้งหมด โทรศัพท์ตัวไรที่สะดวกสบายมากกว่าเดก่อนก็เกิดจากความคิดของมนุษย์แต่เป็นปัญญาของคนที่วธรรมดาคิดหาแต่คิดหาวัตถุนั่นเองเพื่ออันนี้เป็นอย่างนี้เมื่อมีอันนี้รู้มันี้เมื่อมีอย่างนี้อย่างนี้ก็เกิดขึ้นอย่างที่ว่าเพราะมีสี่นี้สี่นี้จึงเกิดแต่มันก็เกิดไปเกิดเปิดเป็นวิปัสสนาเหมือนกันแต่เป็นวิปัสสนาต่างโลกไม่สามารถจะละกิเลสได้แต่ละ ได้ประโยชน์ในการบริหารโลกหรือความเจริญของสภาวะในโลกนี้แถงนั้นะคิดเท่าไรเทรก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดสัก่อนจึงรู้ต้องหยุดคิดสัก่อนหยุดคิดก็คือให้มีสมถะคิดเอาเองมาได้ต้องมีสมถะปิมถะก็คือสงบเมื่อสงบเรียบร้อยแล้วก็ต้องคิดจึงรู้ก็ต้องคิดใหม่ ตอนนี้คิดหลังที่จิตเป็นสมถะแล้วก็เป็นวิปัสนาในการสอนกัมปีติกอ่าติกะนิอาติกะนิบาตหรือคำปีอะไรจําหัวข้อไม่ได้นั่นก็ท่านก็หมายถึงสมถะวิปัสนาสมถะความสงบวิปัสนาความรู้แจ้งหรือความแจมแจ้งหรือเราจะมาตัดแยกจากการไม่ได้อยงสมถะเนี่ยมันจะต้องเกิดช่วงขณะหนึ่ง เมื่อเกิดเชืว่วขณะหนึ่งแล้วจะอยู่ตรงนั้นมันก็สงบอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับสมถะสงบอย่างยิ่งแต่เมื่ออยู่แค่นั้นก็จะแค่นั้นแต่เมื่อหยุดคิดได้คือได้สมถะหยุดคิดให้มีพลังแล้วต่อมาก็ต้องอาศัยกว่ามคิดนะข้อสุดท้ายก็งท่านหมายถึงวิปัสสนามันก็อยู่ในนั้นโยมสมถะวิปัสสนาหมดเทียงกันทำไมแม้จะอยู่ในสมถะเป็น10บสปีก็แค่นั้นโยม ยังไม่พ้นจากอะไรสบายสบายก็ อ, อ, อภยัย อ, อ, อย่างเท่นหลวงตามหาบัวนักสมถะวิปัตนาอย่างยิ่งก็คือว่าท่านติดอยู่ในสมถะนั้น เ, ออเป็นเวลานานก็มีความสุขอย่างยิ่งก็ติดอยู่ในความสุขสมถะต่อมาก็ไปรายงานถวายท่านหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าหลวงปู่มั่นก็บอกว่าเออสมถะนั้น่ะดี มาก็มีความสุขมีความดีแต่ว่าเหมือนกับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันอาหารที่เรากินนี่เราเห็นว่ากินเนื้อนี่อร่อยมันก็อร่อยถ้าติดอยู่ที่ฟันมันก็อร่อยได้ตลอดนั่นแหละแต่อร่อยอยู่ที่ปากไม่ได้เข้าถึงกระเพาะเพื่อจ ะ, อะส่งเสริมพลังงานต่อไปอร่อยอยู่แต่ที่ปากท่านจึงใช้ว่าเหมือนกับเนื้อติดฟัน หมายความว่าเนื้อที่เรากินอร่อยนั้นยังมาได้ไปบำรุงร่างกายเพื่อความเจริญงอกงามต่อไปฉันได้สมถะมีความสงบสุขอย่างยิ่งถ้าติดอยู่ตรงนั้นก็เหมือนอย่างที่ว่านั้นตเมื่อ น, นำสมถะนั้นแหละมาพิจารณาด้วยปัญญาอันแจ่มแจ้ง เ, เป็นวิปัสสนาก็เหมือนกับแต่ฉานทะลุต่อสามารถละกิเลสตนาราคะ ไ, ได้ทุกอย่าง แต่จะข้ามไปวิปัสนาเลยก็ไม่ใช่มันจะต้องมีสมถะช่วขณะในขนดขณะหนึ่งเหมือนกับฟังเทศพระพฤติเจ้าจบแล้วก็ได้ถึงอารานันหรือได้ถึงชั้นสูงก็หมายถึงว่าสมถะวิปัสนาในขณะนั้นเองยมอ่ามันเป็นของที่ใช่ระยะสั้นอย่างตําราว่าแม่ชีกนึงอ่าไม่ใช่แม่เชีภิกษุณีกนึ่งเดินทางในสมัยพุทธกาลนั้นในแดดกําลัง แดดกำลังแรงจ้าไปก็เห็นพยับแดดพริบพรัพริบพรับข้บบบางหน้านางก็คิดว่าเอยพยับแดดเนี่ยพอเราเข้าไปจะเจอจะชนหรือเปล่าคืดขึ้นอย่างนี้ซะก่อนเมื่อไปแล้วมันก็ไม่เจอเมื่อไปแล้วมันก็ไม่เจอมันก็ขยายไปก็คิดใดว่าเกิดสมถะขึ้นมาซะก่อนแล้วก็โอตรงนี้เองก็ วิปัสสนาก็ตามมาแล้วก็ทะลุอ่าอรหันในระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นก็มีอย่างนี้ก็มีอยู่อันนี้เป็นความง่ายของสมัยก่อนส่วนผู้เราก็เหมือนกันเราจะต้องอทําสมถะแล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อเพราะพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วสมถะวิปัสสนาท่านต่าตงหลายคิดดูพลังนะสมถะนะมันเป็นพลังพลังแห่งการที่จะเข้า ไปถึงวิปัสนาข้อภัยย้อนหลังไอง้อย่า้ย้อนย้อนยาวเกินไปท่านนึงหลยพลังพรุ่งนี้เราจะทำงานได้พรุ่งนี้เราจะทางานอะไรหนักเบาได้ใช้สติปัญญาปลดป ร, ร, ดป ร, รงหรือต่อยมวยชนะก็เพราะเมื่อคือนนี้เรามีสมรถะแบบโลกโลกนะคือหลับหลับอย่างสนิทยอง แม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าเมื่อแดดอ่อนแล้วก็กลางคืนแล้วก็สมถะถ้าไม่มีลมก็ได้อ่าริปรีมันพักพ่อน้าขึ้นมาก็อ่อนสลวยอ่อนไว้เจริญงองามไปแม้แต่ขอภัยแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่เราใช้งานจะเป็นวัวควายโคกระบือก็ตามมันต้องจะใช้งานมันรุ่งขึ้นคืนนั้นมันจะต้องมีความสงบ อยู่ในความหลับความพักผ่อนแรงมันก็จะมากต่อเมื่อใช้งานขอภายอีกนิดหนึ่งเหมือนกับมวยไปชกขึ้นเป็นชกเชิงแชมป์โลกในคืนนั้นต้องสมถะแบบโลกโลกนะ่ะอย่างจริงจังคือหลับอย่างสนิทอันนี้พูดเพื่อเจอนักวิปัสสนาแต่หลายอาจจะตำหนีอัตมาก็ได้แต่อัตมาก็ไม่สิสธิ์ตามกระแสธรรม ท, ที่เราติตรองมาทางด้วยตนเองบ้างเปรียบเทียบบ้าง ก็คือว่าคืนนั้นต้องสมถะคือสงบจึงจะเกิดพลังอย่างแรงได้เวลาขึ้นชกมวยราครังยกที่หนึ่งขึ้นมาพวต่อสู้กันไปแสดงวิปัสนาตุกตับตุกตับตอร้อยกำกันอย่างแรงเมื่อสองสามนาทีแล้วยังไม่ชนะไม่แพ้ก็หยุดสมถะซสียก่อนหยุดสมถะซสียก่อนเคยหยุดให้หยุด ให้น้ำพักผ่อนเมื่อมีอความสมถ ะ, ะพลังพอสมควรก็ยกต่อไปต่อไปจนกว่าจะหมดจนกว่าจะแพลักษณะอย่างนี้เยงคือสมถะจึงเป็นพลังแห่งวิปัสสนา อ, อย่างไงก็ต้องใช้ต้องเกิดขึ้นในจุด น, นี้ซสีก่อนแม้แต่สิ่งธรรมนาธรรมนาที่จะมาเปรียบเทียบ ว, ว่าย้อนหลังมาให้ฟังก็คือเป็นเป็น เป็นแนวทางนั่นเองเพราะฉะนั้นสมถาวิปัสสนาจึงเป็นของเกี่ยวเนื่องกันเราจะเดินวิธีไหนทำสมถายายอีกเรื่องหนึ่งอาตอมาไม่ได้พูดถึงตรงนั้นวิธีตรงนั้นและผลตรงนั้นหาแต่ว่าขึ้นตนเป็นแนวแนวคิดคิดไว้ให้ท่านพิจารณาจะได้ไม่ถกเถียงกันเรนี้มีครูบาอาจารย์บางอย่างก็ว่าไม่ได้สมถะไม่ไปไหนต้องวิปัสสนา ไม่ปฏิเสธวิปัสนาแต่วิปัสสนานั้นก็ต้องผ่านเก้าที่เกเดินแม้แต่วินาทีเดียวก็เป็นสมถะที่จะให้เกิดวิปัสนาได้แล้วให้เข้าใจอย่างนี้จะได้ไม่เป็นคัน กระแสธรรมของพระสมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านว่ากรรมฐานสองสมถะกรรมฐานกรรมฐานเป็นใบยสงบใจปัจนากรรมฐานกรรมฐานเป็รรนอบายเรื่องปัญญาอะไรก็ต้องอาศัยการสมถะวิปัสนาดังกล่าวแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่าวิจารณ์วิจารณ์เล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อจับใจความได้ตรงนี้เราก็มาเห็นว่าการที่เราท่านทั้งหลายปฏิบัติมาก็ก็คือมีการ พิจารณากระแสธรรมให้เข้าสู่ความละเอียดให้เข้าสู่ความาบริสุทธิ์สะอาดเพราะการบริจาคทานนั้นก็คือเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งแล้วการบริจาคทานอย่างเดียวก็เป็นเหตุให้ได้ในสง์คือความเป็นคนร่ำรวยสวยงามต่อมาในชาติต่อมาหรือการรัาศิลอย่างเดียว ไม่เบียดเบียนสัตว์มีเมตตาตัวสัตว์เป็นเหต ร, หราอายุยืนด้วยและผิวพรรณงามด้วยมีมีอะไรด้วยส่วนการภาวนาก็ทําให้เราเป็นนักปราชราชบดิษฐ์ถ้าเกิดในโลกนี้ทานศีลภาวนาจึงมีการเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันมาอย่างนี้แต่เราอยากจะผ่านพ้นตรงนี้ให้เป็นชนชั้นสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้เราเป็นคนเลิศเป็นคนประเสริฐ เป็นคนดีงามและปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้ครบหลักครบหลักสูตรตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาอันเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทสีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาท่านมือเจอริญทั้งหลายเมื่อพุทธเจ้าจะปฏิพันธ์พระนนุถามว่าพระองค์จะฝากศาสนาไว้อย่างไรให้ใครบริหาร พระุทธองค์ตรัสว่าไม่ได้ฝากไว้มอบให้ใครเป็นใหญ่คนเดียวบริหารอย่างนั้นไงหากแต่ว่ามอบให้พุทธบริษัท4นั่นแหละเป็นผู้รักษาบริหารพระาศาสนาบริษัท4ีไม่มีจำกัดก็ได้แก่หนึ่งภิกษุสองภิกษุณีสามุบาศก 4. อุบาสิกาภิกษุภิกษุณีก็คือนักบวชในสมัยนั้นเป็นพระผู้หญิงพระผู้ชายบาศกบาิกาก็คือพวกเรา บาศก์ก็ผู้ชายบาสิกาก็ผู้หญิงท่านทั้งหลายผู้รักษาศาสนาท่านลองคิดดูสิบริษัทสี่พระองค์ไม่พระองค์ให้มีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบความตั้งมั่นความตั้งอยู่ของพระศาสนาอย่างสม่าเสมอกันไม่ได้มีใครสําคัญกว่าเทไร่พระเป็นแต่เพียงผู้นำในศรัทธาส่วนวัตถุ าศาสนวัตถุวัตถุของาศาสนาที่ใหญ่ตโตโหราณอัศจรรย์ต่างๆแต่ละประเทศแต่ละจังหวัดในประเทศไทยไม่ใช่ของพระสงฆ์เป็นของอริษัทข้อสข้อสเป็นของอุบาสกอุบาสิกาวัดใหญ่ๆจะดีใหญ่ๆ ห, ห, ห, หรือถาวนวัตถุหน้าอัศจรรย์แค่ไหนเพียงไร เป็นของอุบาสกอุบาสิกาที่เขาทำพระเพียงแต่นำทางวิญญาณการประพฤติปฏิบัติให้เขาเหล่านั้นเกิดศรัทธาเพราะถ้าพระที่ไม่ไม่ประพฤติปฏิบัติให้อุบาสกอุบาสิกาเกิดศรัทธาหรือไปประพฤติตนให้อุบาสกอุบาสิกาหมดศรัทธาก็เท่ากับว่าตัดกาลังที่จะรักษา ทาวนวัตถุของวัดวาศาสนาได้อย่างสิ้นเชิงอันนี้สำคัญมากถ้ามีการาปรึกษาหรือเข้าใจในหลักนี้ประเทศชาติศาสน า, าของเราก็จะตั้งมั่นยืนยงวายภิกษุภิกษุณีไม่มีก็าตามแต่มีภิกษุภิกษุก็รู้หน้าที่ของตนอย่ามีอะไรให้ให้พลังงานของ าศาสนาเสียไปคือศรัทธาของญาติโยมทั้งในประเทศ เ, เมื่อมีความเรียบร้อยเหมาะสมแล้วผู้ที่ไม่มีศรัทธาก็มีศรัทธาผู้มีศรัทธาอย่งแล้วก็จะมากขึ้นนี่แหละคือเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีงามและเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องอย่านึกว่าภิกษุภิกษุนี่สำคัญกว่าบาศกบาสิกาแต่จามาโยนมาว่า ท่านเหล่านั้นเพียงแต่ดำรงความงามในสมถะวิปัสสนาให้แท้จริงแล้วยาโยงก็จะเกิดขึ้นเองไม่ต้องประกาศไม่ต้องอะไรแลาก็เกิดขึ้นมาโดยศรัทธาทำบุญเลือเกินทุกวันดูซึเราไปทำบุญทีินเดียมีไรไปสร้างอะไรอะไรแต่มาก็เฉยๆไปสร้างทีินเดียเพราะพระพุทธศาสนาตั้งมั่นที่นั่นแล้วก็อยู่ไม่ได้มาเจริญที่ประเทศไทย เราก็สร้างที่ประเทศไทยจะไปสร้างทิเดียต่อทิเดียก็มันอยู่ไม่นานดอกไม่สามารถจะเปลี่ยนความคิดเห็นของชนทิฐิมีสามอย่างที่นั่นดอกอ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นความเข้าใจหมดเวลาอย่างอยู่ ย, า ง, <ไอ S 1> ยางอีนะ๋เนาะก็เพราะฉะนั้นขอวิจารณ์ตรงนี้อีกนิดหนึ่งให้ท่านต่างหลายทราบที่ประเทศอินเดียนั้นไปได้ยาก เพราะถือชั้นวั น, นะอย่างร้ายแรงประสัทธ์พราหมณ์แพทย์สูตรที่เราเข้าใจมาบ้างนั้นยังอยู่เต็มอัตรายอมอันนี้และไอเรื่องการ ม, มาณนะการถือไม่สวมส่วอก็มีทั่วโลกแหละแต่ไม่แรงเหมือนกับอินเดียอันนี้แหละเพราะฉะนั้นศาสนาจึงอยู่ไม่ได้อะไรจึงตั้งมั่นไม่ได้ อันนี้เมื่อพิจารณาตรงนี้แตมาอยากจะย้อนย้อนย้อนหลังอันนี้ย้อนไกลที่สุดแล้วโยมเพราะเราอาจจะยังไม่เข้าใจเพียงพอย้อนไกลที่สุดก็คือว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ใต้ต้นประศรีมะพร้าเพราะวันนี้เป็นวันอสาละหบูชาเป็นวันที่พระองค์ไปประกาศระศาสนาตั้งพระพุทธศาสนาอย่างตั้งมั่น เมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็จะประกาศศาสนาต่อไปท่านนักหลายเมื่อพระองค์บำเพ็ญทุกกิริยาตลอดหกปีและปฏิบัติกับปรุบาจารย์กับต่อสู้โดยพระองค์เองกว่าจะได้ตรัสรู้เพราะจอสู้แค่ไหนเพียงไรในที่สุดก็ตรัสรู้อรยะสัจสีที่ต้นพระสีหมหาโพธิ์ พระองค์สวยมุติสุขอยู่ตรงนั้นหลายสัปดาห์ เ, เรียกว่าเจ็ดสัปดาห์ด้วยกันก็ได้ความว่าโตไปก็เมื่อสวยพระอมีมุติสุขส่วนพระองค์เต็มอัตราแล้วก็คิดจะประกาศระศาสนาต่อไปตามมโนใหม่ปรารถนาก็คิดไปก็คิดท้อถอยอยคิดทอถอยว่าโอ้ ธรรมะที่เราอัรูมาลึกซึ้งไม่อาจจะมีสัตว์ผู้หนาด้วยเกเดตตัญหาจะสามารถรู้ทั่วถึงได้หรอกท็ถ้ถอยที่จะประกาศในตำรานะไม่ใช่พูดนอกตำราในตำราก็บอกไลว่าก็เมื่อพระองค์ทรงทรงถอถอยอย่างนี้ก็เท้าวสามวีพรมมาราธนาพระมาจโลกาธิปติมาจนถึงตกวันในเออย่างนั้น ประมาเจโลกาก็อเอาถึงพรมแต่พรมที่แท้จริงก็คือพรมในพระหฤทัยของพระองค์ที่พระองค์สร้างบารมีมาบำเพ็ญบารมีมาก็เพื่อจะประกาศศาสนาแต่พระองค์ก็คิดถึงการทอดถอยว่าจะไม่มีใครอาจรู้ได้ดูแต่เราต่อสู้มาก็ตาราอีกนั่นแหละกล่าวว่าไปดูดอกเห็นดอกบัวสีเหลือเหล่านั้นก็ พ้นน้ำเราหนึ่งปริ่มน้ําเราหนึ่งก็อยู่กลางเราหนึ่งก็ต่ําสุดเหมือนดอกบัวสีเหล่าดอกบัวจะพนน้าเหมือนกัได้ฟังกระแสธรรมของเราแล้วก็จะได้รู้ธรรมทันทีเอาประการที่สองอบรมไปก็จะรู้ได้ประการที่สามเรื่อยๆไปก็รู้ได้ก็เลยเข้าใจได้ว่าเราจะประกาศประสาศาสนาแต่ถ้าพูดแบบวิจารณ์โดยไม่กลัวบาป ท่านทั้งหลายพระพรหมไม่ต้องที่ไหนหนกคือห์ฮะรทัยของพระองค์ทั้งหมดดอกบัวก็คือผุดจากหะรุทัยของพระองค์พระองค์ทรงท้อถอยก็คือว่าพระองค์เกิดอยู่ในทวีปแห่งการทิฏิมานะในชมพูทวีปในประเทศอินเดียถ้าเป็นกรหัก ต้องถือมั่นยึดมั่นในวัณซีสัตว์พราหมณ์แพทย์สูตรอย่างแรงถ้าเป็นนักบวชจะต้องทรมานตนอย่างร้ายแรงเรื่องหนักหน่วงที่สุดเหมือนกับที่เราทรมานมาถึงหปีก็ยังไม่ได้ไรเพิ่งจะมาได้ต่อเมื่อเดินทางสายกลางโอเราจะต้องสนทางสายกลาง ให้แก่ชาวเมืองนี้จบภูทวีนี้และในเมื่อเขาเหล่านั้นยึดมั่นอย่างแรงอย่างสูงสุดด้วยวันนะส่วนเรานั้นไปพูดสายกลางคือสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าสอาดทีิเรียกว่าทางสายกลางก็มัชฌิมาปฏิปทานั่นละโยมในธรรมจักกบวรตนะสูตรพระองค์ทรงสแสดงวันมาวิสาขาวันอาลสาลหะ ในครั้งหน้าอีกสามวันอีกอีีวันข้างหน้าเนี่ยอญทิตย์หนึ่งที่เราจะถึงวันคล้ายวันนั้นโอ้เมื่อชาวชาวบ้านเมืองเขาติดติถึงเพียงนี้กับวันนัเสส่วนกระแสธรรมของเรานั้นสายกลางเราจะเข้ากับเขาได้หรือและเข้ากับเขาได้อย่างไร ท่านหนังหลายเคสเอกคํามหนึ่งเหมือนกับนักประหลาดหรือคนสําคัญของโลกชื่ออะไรจะมาได้ที่ว่าไปประกาศว่าโลกกลมมันขัดกับหลักศาสนาของเขาว่าโลกแบนแล้วบอกว่าตูกบงคับไอเกียนยาพิษตายอะไรกาลิเลโ อ, ออะไรเนี่ยกาลิเลโอเพราะขัดกับศาสนาเขาก็อนาคต ของท่านสุดท้ายยังไงก็ไม่ทราบแต่ก็ขัดอย่างแรงถูกลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือพระองค์ไม่ใช่พระองค์เปรียบเทียบตรงนี้แต่มันช่งตรงกันตรงกันเหลือเกินที่ขัดกับเขาแล้วพระองค์ก็คิดเหมือนกันว่าแล้วเราจะเข้ากับเขาได้อย่างไรขอยืนยันที่จตมาบังอาจวิจารณ์ในขนาดนี้ก็คือ ตรงที่พระองค์นึกถึงคนที่จะเข้าไปหาซะก่อนธรรมดาคนเราเมื่อได้สิ่งวิเศษแปลกปละจะต้องนึกถึงญาติพี่น้องของตัวเองแต่พระองค์นึกไม่ได้เพราะนั้นยิ่งจะถือมั่นที่สุดก็เลยนึกถึงบุคคลที่ควรจะเข้ากับเขาได้บ้างเพื่อขยับไปนั่นคือนึกถึงอาจารย์ทั้งสองของพระองค์ดาวบททั้งสองกาลดาวบด์ อะไรอาการอ่ะอธรรมเดี๋ยวนี้แก่แล้วโยมคิดต้องไหนมันก็ติดกัดไม่น่าจะติดกัดตรงนี้คือที่ท่านไปปฏิบัติได้สมาบัติฌานสมาบัติตรงนั้นยังไม่ถึงนนิพพานอุตกะดาบดนานานะทางอาจารย์ของท่านทั้งสองนึกว่าถ้าได้ฟังแล้วก็จะได้บรรลุธรรมทันทีแต่โออานิจจาท่านทั้งสองนั้นถึงแก่ ก, กรรมแล้วก็หมดทาง ในที่สุดไม่รู้จะนึกยายกน็นึกถึงคนที่เคยอยู่ร่วมกันกันกบองค์คือปัญจวัคคีย์ตระห้าโยกที่พอจะพูดกันได้พอจะเคยกันได้ก็นึกถึงเขาจึงเสด็จไปตามเขาที่ป่าอิสิปัตนะมฤุกทายวันเดินทางไปถึงตรงนั้นเมื่อเวลาเอา้เมื่อวันขึ้นสิบสี่ค่เดือนแปดในสมัยนั้นกว้เขาเห็นท่านสมณะโพลม ตอนพระองค์เปลี่ยนกิริยาการบำเพ็ญกิริยาก็หนีไปอยู่ปลายสิทนะั่อะไรหมดหวังในการที่จะตรัสรู้ของเขาก็าแยกกันต้องเป็นเหตุให้พระองค์อยู่ตามลําพังก็มีโอกาสได้ตดรัสรู้ก็ไปหาเขาสี่ห้ท่านเรียกปัญญา ก, กีเมื่อเขาเห็นพระองค์ก็บอกว่านั่นตามมาแล้วไม่มีใครช่วยดูแลปรนบัติทนไปได้หรอกตามเรามาไม่ต้องไปรับ เพียงแต่ปูอาสนะไอ้นั่งตายตาในตานะที่เคยนับถือกันมาล้วก็ทำกันนั้นแต่เมื่อไปถึงแล้วต่างคนก็ต่างลืมมารับบาติวรหรือรับอะไรพระองค์มาโดยลำดับพระองค์ก็ตรัสเฉยๆอยอตรัสตรัสตรงๆเลยท่านดังหลายเดี๋ยวนี้เราตรัสสู่แล้วจงนั่งลงเถิดเราจะแสดงตามให้ฟังไม่ยอมรับอยู่ไม่เชื่อเขาก็ค้านมาโดยตรงไม่เชื่อ ขนาดทรมานตัวจนกระทั่งเอาตัวไม่รอดแล้วยังมาได้บรรลุอะไรก็เดี๋ยวนี้เอามากินข้าวบริโภคอาหารจนอ้วนเหมือนกับพระสงฆ์ในประเทศไทยทุกองค์ไปตัดสู้ได้ยังไงเขาปฏเิเสธนี้ด้วยอำนาจความทิฏฐิมานะเพื่อมายอมพระองค์ก็ตรัสไปมาก็ว่าท่านทั้งหลายท่านอยู่ด้วยกันมาหกปีเคยด้ยินคาพูดคานี้ของเราแบบนี้ไหมไม่เคยด้ยิน เมื่อไม่เคยใจเย็นก็ค่อยน้มใจที่จะเชื่อคือเมื่อเขาไม่เชื่อมันก็เทศมัได้ยมพอเขาน้อมใจที่จะเชื่อพระองค์ก็ส่งเสด็จพระธรรมเทศนากันแรกธรรมจักรกับประวัตนสูตรท่านทนั้งหลายเทศธรรมจักรแต่พูดแบบไม่กลัวบาปอย่างอัตมาก็ก ว, ว่าตว่าเกือบ <c oughs> เกือบมาได้ผลอะไรเลยอำนาจเทติของเขาพระอิญมีองค์เดียวคือคนแก่กว่าเพื่อนเร็วอัญญาโกนตัญญะ หรือโกนทัญญะนั่นแหละได้ดวงตาเห็นธรรมอาจจะบรรลุโสดาบันหรืออาจจะชั้นไหนอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมพระองค์จึงทรงโมทนาสาสตุการว่าบัดนี้ได้เห็นแล้วหน า, าบัดนี้ได้ได้ได้รู้แล้วหนาโกนทัญญะเาะ ว, ว่าจึงได้เป็นภิกษุให้บวชเป็นภิกษุองคแรกในพุทธศาสนาะ ส่วนสี่ท่านนั้นเหมือนเดิมเหตุที่เหมือนเดิมคือยังไม่ได้อะไรเลยนะยมเหมือนเดิมอันนี้คืออำนาจทิฏฐิมานะยางแรงที่ถือมั่นในการทรมานกายแต่ถือว่าถือมั่นคนละอย่างเนี่ยจึงยังไม่ได้อะไรเลยยมเพียงได้ยมาะเข้าใจเิดนะยมเข้าใจผิดนึกว่านึกว่าได้บรรลุธรรมตั้งห้าได้เพียงองเดียวพูด ยังไม่กลัวบาปก็คือว่าเกือบจะไม่ได้ผลอะไรพระเอิญได้องค์หนึ่งพระองค์ก็ทรงพอพระตายแล้วให้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาครบรัตนะ์ไตรครั้งแรกของคืนวันนั้นส่วนสีองค์นั้นเหมือนเดิมพระองค์ก็สอนแนะนำต่อไปต่อมาจนกระทั่งทั้งสองค์นั้นได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็บวชเป็นพระภิกษุทั้งหมดแล้วเพราะก็ยังไม่เป็นพระอาหารหันต์นโยมถ้าพูดตรงๆนะ ทั้งสี่องค์อวดเป็นพระอาบวชเป็นพระหมดต่อมาพระองค์ก็แสดงพระสูตรใหญ่สูตรที่สองคืออนัตตลักษณะสูตรเมื่อแสดงอนัตตลักษณะสูตรจบแล้วปัญจวัคคีย์ต่างได้บรรลุอรหันต์พร้อมกันอัญญาโกณตัญญะได้ดวงตายทำก่อนแต่ยังไม่เป็นอรหันต์เมื่อจบรำมาจากเอาเมื่อจบอรรถกณัสูตรแล้วมีพระอรหันต์เกิดขึ้นพร้อมกัน ห้ารูปหกรูปกับพระองค์ก็ประกาศประศาสนาขยับขยายมาต่อมานี้ที่ยกตรงนี้มาแสดงก็ตรงว่าพระองค์ทรงลำบากหรือทรงตั้ ง, งมั่นหรือทรงอะไรแค่ไหนเพียงไรเพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งวันอซาลหบูชาเป็นวันเกิดขึ้นของรัตนตรายครบสามพุทธธรรมประสงค์แต่ก็กว่าจะสําเร็จ แล้วก็ทําไงต่อมาก็มากมากม า, ก ม, ากมาโดยลําดับลําดับอย่างที่เราเห็นมาทุกวันนี้โยมขึ้นต้นมาอย่างนี้เพราะภัยด้วยเตตะมาบังอาจอาย้อนหลังเปรียบเทียบโดยไม่กลัวบาปว่ า, อ, า, ยายอย่างใดอย่างหนึ่งเตตะมามคิดว่ามันน่าจะคิดไว้ในธนะที่เราปฏิอาจประพฤติมาตึ้งแต่ในเอกการที่เข้าถึงเมื่อเป็นเชท น, นี้ท่านทั้งหลายบัดนี้พระศาสนารวมอยู่ที่พวกเราแล้ว กลางอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุภิกษุในอุบาสกอุบาสิกาก็มีอยู่มรรคผลนิพพานก็มีอยู่ข้อปฏิบัติอย่างไม่อยู่ศีล ส, สมาธิกรรมฐานยังไม่อยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยอะไรเพียงแต่ใช้ความเพียรความพยายามอย่างท่านตั้งหลายพยายามมาเนี่ก็ถูกต้องแล้วการปฏิบัติก็ไม่มีอะไรมาก หลวงปูดด่โดนท่านพูดง่ายๆเวลาใครไปถามกันลงมือปฏิบัติทำอย่างไรเชิงจะได้ผลลูกปู่เพราะว่าไม่ต้องกำนึงถึงผลอะไรหรอกถ้าเราจะตั้งใจภาวนาก็ขอให้หาโอกาสว่างและเอาโอกาสวายเวลาเหมาะแล้วเราก็นั่งภาวนาด้วยการจะภาวนาได้ต้องหยุดซะก่อนเออหยุดอะไรในความหลังหยุดหวังในอนาคต กำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันให้ทันอารมณ์จิตตั้งจิตไว้ที่จิตจิตเห็นจิตจิตพิจารณาจิตจิตก็จะค่อยรวมจิตก็จะค่อยรวมเมื่อร่วมก็สงบเมื่อรวมก็สง บ, เ ม, มสงบเมื่อสงบก็ว่างเมื่อว่างก็ค่อยคเข้าใจเอาเองตอนนี้เป็นปัจจัตตังเพียงแต่ว่าปล่อยวางที่ท่านปูวาท่านจำความหมายว่าถ้าตั้งใจภา น, นาอย่างน้อยต้องต้องหยุดก่อน หยุดอะไรในความหลัง <Yeah. S 1> เหมือนกับเราเคยหวังอะไรในความหลังมากคิดทุกวันนี้คิดมากๆากเรื่องความหลังและหยุดหวังในอนาคตซะก่อนกำหนดจิตรู้อยู่ในปัจจุบันให้ทันอารมณ์จิตตั้งจิตไว้ที่จิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งดังกล่าวแล้วตอนนี้ก็พิจารณาได้โดยภาวะที่เราเพ่งประพฤติธปฏิบัติพระฉะนั้น การที่เรารวมการที่เราตั้งใจพื้นปฏิบัติมาก็เพื่อจุดนี้จุดแห่งความพ้นจากภาวะตกต่ําทางใจเรียกว่าจุดของมรรคผนิพพานแต่ได้แค่ไหนท่านทั้งหลายบัดนี้ท่านเป็นคนมีบุญวาสนาเราได้เดินทางตามพระพุทธองค์ตรงทางแล้วเพียงแต่ว่าอาวาสนาของเราไม่สม่ําเสมอกันบางคนเขามีความ ตั้งมั่นดีเขาก็ได้เร็วเราก็แต่ว่ายังน้อยเราขยับไปแล้วถ้าจะเป็นมนุษย์เอกจะได้เป็นมนุษย์ชั้นเลิศชั้นประเสริฐหรือจะพ้นจากมนุษย์ก็เข้าสิง่งมนุษย์สวรรค์ ส, สมบัติเข้าจากสวรรค์สมบัติเข้าถึงพรหมหรือถ้าได้ละกิเลสตัณหาได้หมดก็เข้าสู่พระนิพพาน อย่าถอยหลังกว่านี้เลยบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ขยับมาด้วยดีแล้วตั้งใจดีแล้วถูกต้องแล้วทําครูบาจารย์เพียงแต่ยังอีกเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกำเนิดแล้วแต่บารมีหรือความตั้งใจของเราต่อไปอไม่ถึงชาตินี้ชาติต่อไปเพียงแต่ว่าจะไม่ถอยหลังอีกแล้วจะขยับไปแม้จะนานกี่ร้อยชาติก็ช้างอย่างนี้ จะจะจบตรงนี้ด้วยอยู่เปลี่ยนนาฬิกาก็ยอมรับจบจุดในหยุดอะไรในความหลังหยุดหวังในอนาคตกาหนดรู้อยู่ในปัจจุบันให้ท่านอารมณ์จิตจิตวอกแวกไปไหนก็ดึงกลับมาให้จิตอยู่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตทํามดาจิตวอกแวกนั่นแหละแต่เราก็พยายามในที่สุดเราก็จะเข้าถึงสภาวะ ที่ต้องการได้อย่างแน่นอนทำมีคาถาพอสมควรแต่เวลาเอวังก็มีด้วยประการะชนิด